สองอดีตกราตมาก็ได้มีโอกาสไปประเทศพมา่าไปพมา่าเมืองแรกที่ขาดไม่ได้หรือว่าต้องไปก็คือย่างกุ้งนะแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองหลวงแล้วเนะมืองหลวงคือในปีดอนะแต่สําหรับคนไทยนะย่างกุ้งก็ยังคือยังเป็นเมืองหลวงของพมา่าอยู่ไปย่างกุ้งแล้วถ้าไม่ได้ไปเจดีย์ชเวดากองนะก็เหมือนกับไปไม่ถึงใครที่ได้ไปเจดีย์ชเวดากองก็จะประทับใจนะ ไม่ใช่ประทับใจทองนะทีเ่เรืองอารามนะ อ, อยู่รอบเจดีย์อันนั้นก็ใช่นะทองเนี่ยเรียกว่าต้องเป็นตันนี่เดยนะที่ประดับประด า, าพระเจดีย์นะแต่ที่สำคัญกว่านะก็คือศรัทธาของผู้คนนะอันนี้ก็ทองเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีค่ามากาผู้คนนี่ศรัทธานะใน เดีย์ชเวดากองมากเรียกว่าตั้งแต่เช้านะหกโมงหรือตีห้าด้วยซ้ํานะก็จะมีคนไปไปกราบนะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนะทั้งไปกราบไหว้ทั้งไปบูชาทั้งสวดมนต์ทั้งนั่งสมาธิแล้วก็ไปแบบเที่ยวนะจนถึงค่ำนะสามทุ่มสี่ทุ่มยิ่งกลางค่ากลางคืนนี่ก็ยิ่งคึกคักเข้าไปใหญ่นะ อันนี้เนี่ยมันบรรยากาศแบบนี้เนี่ยไม่มีในเมืองไทยนะไม่ว่าจะเป็นวัดไหนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้พวกเราไปวัดก็ไปเมื่อมีเมื่อมีงานนะเช่นงานศพงานบวชหรือว่าไปถวายสังฆทานประเภทที่ว่าไปวัดนะเพื่อไปเที่ยวนะไปดูอ่าสิ่งต่างๆในวัดแล้วก็ไม่ใช่แค่เที่ยวเดียวแต่ว่าไปอ่กราบไหว้นะ ไปทําบุญไปบูชาพระนะไปสักการะพระเจดีย์พระบรมธาตุนี่หายากมากเรียไม่มีเลยทีดีวยวในเมืองไทยนะหลายคนที่อยู่กรุงเทพนะจนบัด น, นี้ก็ยังไม่เคยไปวัดพระแก้วหรือไปวัดโพเลยนะหรือว่าถ้าไปก็เพราะโรงเรียนพาไปไม่ใช่เพราะพ่อแม่พาไปแต่ในย่างกุก้งนี่พ่อแม่นีนะ่เรียกว่าพาลูกเล็กเด็กแดงนะไปวัด สาทิศก็เหมือนกันนะถ้ากรุงเทศนีลูกพ่อแม่นี่พาลูกไปไหนนะไปเที่ยวห้างนะไปโงหนังนะแต่ว่าคนพม่านี่พาลูกไปไปวัดนะโดยพ่อเจดีชเวดากองนี่เราจะเห็นเด็กทุกเห็นคนทุกวัยนะเด็กเล็กนะซึ่งมากับพ่อแม่แล้วก็วัยรุ่นวัยรุ่นนี่ไปกันเยอะนะจะหาวัยรุ่นที่ในเมืองไทยนะที่ไปวัดเนี่ยน้อยมากนะไปเองนะนะ แล้วก็ไปแบบไปเที่ยวนะวัดนี่ก็เป็นที่เที่ยวเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นที่เที่ยวแบบไม่ได้ไม่ได้แยกขาจากการทําบุญโลกกับธรรมนะในในพม่านี่เหมือนก็ไม่ได้แยกจากกันทีเดียวนะที่เที่ยวในพมา ก, ก็มีอยู่นะอัตมาก็กลางค่ำกลางคืนก็ไปอีกที่หนึ่งเป็นทะเลสาบที่มีชื่อของย่างกุง้งก็มีหนุ่มสาวแล้วก็คนมีอายุนะไปเที่ยวกันนะไปนั่งเล่น อยู่บนสนามหญ้านะริมทะเลสาบคล้ายๆกับที่เราไปเที่ยวสวนลุมนะคนก็เยอะนะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าคนที่ไปเที่ยวที่เจดีย์ชเวลากองในเวลาเดียวกันคือเวลาค่ำคืนการไปวัดก็ถือเป็นการไปเที่ยวนะแล้วก็ไปแล้วนี่ก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือว่าเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันนะที่วัดนะ ก็ถือโอกาสทาบุญนะถือโอกาสสักการะบูชาพระพุทธรูปต่างๆนะซึ่งมีอยู่หลายรอบพระเจดีย์นะสี่มุมสี่มุมนะของพระเจดีย์เนี่ยก็เป็นพระพุทธเจ้าสี่พระองค์นะในในกับเนี่ยคือพัทธรกรเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์สี่องค์คือพระพุทธเจ้าในอดีตนะ พระ ก, กัคุสันโธโกนาคมกัตสปะแล้วก็โคตมะเนะี่ยหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราเคารพนับถือกัน้คนที่นา่นเคารพนับถือพระพุทธเจ้านะหลายพระองค์นะซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของคนไทยเหมือนกันนะสมัยก่อนนี่เราก็เคารพ บ, บูชาพระพุทธเจ้าหลายพระองค์นะรวมทั้งพระศรีอานนะที่จะบังเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่ตอนหลังนะ ศรัทธาหรือความเชื่อของชาวพุทธเราก็ค่อยล่อยหลอลงก็เหลือแต่พระเจ้าองค์เดียวนะก็คือพระโคดมหรือพระโคตมะอันนี้คนพม่านี่ก็มากราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าน ะ, ะทั้งสี่พระองค์แล้วก็อีกเยอะแยะนะที่อยู่รายรอบพระเจดีย์ชัยตะกองแล้วก็บางคนก็มานั่งสมาธินะเห็นหนุ่มสาวนี่มานั่งสมาธิกันน่าศรัทธามาก หลายคนก็มาสดมนมันเป็นการเที่ยวที่ไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะเป็นการเที่ยวที่ เ, เรียกว่าเอื้อให้เกิดความเจริญในธรรมนะเจริญในบุญกุศลนะงั้นเวลาใครที่ไปไปเจดีย์ชเวดากองก็จะประทับใจในความศรัทธาของของชาวพุทธนะซึ่งเขาการศรัทธาเขาแสดงออกตั้งแต่เริ่มต้นนะประตูที่ประตูวัดเต้องถอดรองเท้า การถอดรองเท้าเข้าวัดนี่เป็นเรื่องสําคัญนะของคนพมา่าแม้แต่พระราชาเนี่ยจะใหญ่แค่ไหนมานะจะเป็นานายรัฐมนตรีนะนายพลก็ต้องถอดรองเท้านะเข้าวัดสมัยที่พม่าเนี่ยอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษเนี่ยพม่านี่ไม่ยอมเลยนะให้ฝรั่งเนี่ยจะใส่รองเท้าเข้ามาในวัดกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะ ฝรั่งก็เลยไม่เข้าวัดเลยนะบอกว่าถ้าเข้าวัดต้องถอดรองเท้าฉันไม่เข้าเพราะว่าเสียสุขภาพนะสมัยก่อนฝลังนี่อนามัยจัดมากนะถอดรองเท้านี่กลัวว่าเชื้อโรคจะเข้านะไม่ถอดเราก็เลยไม่เข้าและถ้าจะเข้านี่ก็เกิดเป็นเรื่องเดือดร้อนเลยนะทะเลาะเบาแวงกันเพราะว่าใส่รองเท้านอนนั่งเดี๋วได้มีโอกาสไปวัดนะที่อยู่รอบเมืองนะรอบเมืองอะไรเมืองมันเดลเลยมันเดลเลยนี่ เรียกว่ายิ่งกว่าอย่างกุ้งนะย่างกุ้งนี่ถือว่าศรัทธานี่เรียกว่าหนาแน่นแล้วนี่ไปมันเดเลนี่ก็ยิ่งยิ่งทึง่งก็ใบใหญ่แล้วก็ยิ่งเมืองรอบๆมันเดเลนะเช่นอินวะอินวะหรืออังวะเนี่ยนะสกายหรือสแกงอมอปูราพวกนี่ ย, ยิ่งห่างเมืองเท่าไหร่เนี่ยนะเราก็ยิ่งเห็นวัดใหญ่ๆที่มีพระเนนชีมาบวชบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อเรียน อมีวัดหนึ่งคนไปนักท่องเทีย่ยวไปดูกันมากเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีพระเยอะเนร์นก็มากเป็นพันสองพันได้มาดูอะไรมาดูพระเนรเนี่ยมาฉันอาหารนะเพราะว่าเป็นช่วงเดียวที่พระเนร์ น, นี่จะมากันเยอะแยะเต็มวัดเลยนะแต่ว่ามาแบบเป็นระเบียดนะนั่งอ่ะเรียกว่ายืน เข้าคิวเข้าคิวยืนรอแล้วคนก็นักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันคนไทยไม่ค่อยไปแต่ฝรั่งไปกันเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะที่มีพระเนนแล้วก็ชีเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นพระเนนมากกว่านี่เป็นพันมาฉันอาหารฉันเมื่อเดียวนะเพราะว่าที่นั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีเงินเยอะนะของเรานี่อาหารการกินนี่สมบูรณ์นะแต่ที่นั่นนี่ไม่สมบูรณ์นะแต่ก็มีคนมาเบว่กันเยอะเพราะว่าถ้าไม่บว่แล้วเนี่ยอาจจะลําบากนะคนพมา่านี่ยากจนนะ คนที่มีลูกมากเนี่ยก็ต้องหาทางส่งลูกมาบวชบวชเนนตั้งแต่เล็กๆ7จ็ดขวบแล้วหรือไม่ก็ถ้าโตนะก็ส่งลูกไปเป็นาหารถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นชีนะเห็นชีเล็กๆ7จ็ดขวบมาสวดมนต์เป็นกลุ่มนะห้าสิบิคนที่เจดีช่วยตอกกองแล้วก็น่าปลื้มใจนะอันนี้ก็เป็นภาพทีอ่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อเห็นความแตกต่างนะซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพ่มานี่เขายัางไม่มี ความเจริญทางวัตถุมากหรือว่าวัตถุนิยมบริโภคนิยมนี้ยังไม่แพร่หลายแต่ก็เริ่มเข้าไปแล้วในะศูนย์การค้าแล้วก็บริโภคนิยมนี่ก็แพร่ไปเยอะไว้รุ่นทุกคนนี่แทบจะมีโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นแล้วก็เอาวัฒนธรรมเซลฟี่นี่ไปใช้นะไปวัดก็ถ่ายรูปเซลฟี่เห็นทุกคนทุกแห่งนะเหมือนคนไทยเลยนะอันนี้ก็แสดงว่าบริโภคนิยมมันก็ลุ่งเข้าไปแล้วต่อไปเข้าไปมากมากวัฒนธรรมคงเปลี่ยนศรัทธางคงจะน้อยลงนะต่อไปคนก็จะมาบวชพระบวช เนยน้อยลงเพราะว่าโรงเรียนเขามีการศึกษาภาคบังคับก็อยากมีความรู้ก็ต้องไม่ไปต้องเข้าวัดละนะมาเรียนโรงเรียนของรัฐอย่างที่เมืองไทยเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยนะเนยมีน้อยลงนะบางอําเภอในในเมืองไทยไม่มีเนเลยนะเสาให้เมื่อเฮาปีก่อนมีทั้งอำเภอมีเนยรูปเดียวนะป่านที่คงไม่มีแล้วล่ะนะอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับยุคสมัยนะอมีเรื่องที่จะประ ก, กาศคือว่าอ ญาติยโยมเนี่ยเวลาทานอาหารเสร็จแล้วนะข้าวที่เหลือเนี่ยนะอย่าเอาไปเลี้ยงหมานะเพราะว่ า, าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ใส่บาตรมาเพื่อจะถวายพระแล้วก็อญาติยโยมจะเอาเข้าวเหนียวไปทานนี่ก็เขาก็นุมโมทนานะแต่ว่ า, าเขาคงจะไม่ค่อยสบายใจนะถ้าเห็นข้าวที่เขาถวายพระหรือถวายวให้มอ้มอยกับผู้ปฏิบัติธรรมมาไปเลี้ยงหมานะ แต่ไม่ต้องกลัวหมาตายนะเพราะว่าครัวก็จะดูแลเลี้ยงอยู่นะหมาพวนี้ก็ชาวบ้านเขาเอามานะเอามาให้วัดนะไว้ก็ต้องทาหน้าที่เลี้ยงนะเลี้ยงนี่ก็อาใส่อาหารนะที่เหลือนะแต่ว่ า, าไม่อยากเป็นข้าวเหนียวนะเพราะว่ า, าชาวบ้านเขาสำหรับชาวบ้านข้าวเหนียวนะั่นคืออาหารที่เขาอยากจะมาถวายพระแล้วก็เผื่อแผลเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็เตรียมรับพร